50 languages. s e n y t ต้องการอยากเยนันนาดดคุณอยากทอะไรนบูเยนันโนมาดลุตีรี คุณอยากเล่นฟุตบอลไหมนี่วูกาลเช่นเดิ่นโนอาดัลลูบายสุตตคุณอยากไปหาเพื่อนๆ่นไหมนีวูสเนฮิตระโนเบทีมาดัลลูบายสุตตระต้องการอยากบยสุบุดูอิสต์ะปดบดูดิฉันไม่อยากมาสาย นั่นเก๋ทัดวาเก๋บรูบุดูอิสต์ทวิลล่าดิฉันไม่อยากไปที่นั่นนั่นเก๋อัลลีเก๋ฮูกูบอิสตวลดิฉันต้องการกลับบ้านน้าหนูมันเก๋ฮูกัลโล่อิสต์ทัปดุตเต้นดิฉันต้องการอยู่บ้านน้าหนูมันเอลลี่อีรัลโล่อิ a ต์ทุตน ดิฉันต้องการอยู่คนเดียวนานู้วบบเนยิรโลอิสตปาดุตเตเนคุณอยากอยู่ที่นี่ไหมนีนูยิลีรโลบายสุตเียคุณอยากทานอาหารที่นี่ไหมนีนู้ยิลีวูตมาดโลบายสุเตียคุณอยากนอนที่นี่ไหม นี่นูยิลลีมาลากลูบายสุตเียคุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะนีบูนาเลเบลเกลอิลลินดาฮอรดัลูบายสุตตีราคุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะนีบูนาลเวลวารเกอิลลิอิรัลูบายสุตตีราคุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ นวูฮานวันนู้น่าลเบลีเก้พาวติมาดุตระคุณอยากไปดิสโก้ไหมนวูดิสโก้เกลอิสปดุตระคุณอยากไปดูหนังไหมนี่วูจิตร์มันดีรักเกะฮโกรโลอิสต้าปัดุตี r ะคุณอยากไปร้านกาแฟไหม ನ ี่วูผาล่าหารา mandirake ฮกกะโลอิสต้าป